ทำให้ดีนะ่ะตรงนี้สําคัญมันไม่ใช่เป็นกล้าโกงใครมันไม่ใช่เป็นกล้าทําทุจริตคอร์รัปชั่นนะมันคนละกล้านะไอ้กล้านั้นวิบัตินะและรูกศิษยวิบัติมาหลายคนนะคือสุดท้ายเนี่ยมันได้ได้แต่สุดท้ายไม่ภายในปีนั้นก็ภายในรอบชีวิตเนี่ยมันจะวุ่นวายแล้วก็ต้องรับผลกรรมที่กล้าเนี่ยให้กล้าในการทําทสิ่งที่ถูก ทุกคนในที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติระดับประเทศที่ไปคุยกับเขาแล้วเชื่อว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขหรือเขาสามารถบริหารจัดการชีวิตของเขาได้จนกระทั่งเขาอยากจะสุขก็ขสุขได้หรือเวลาเขามีความทุกข์เกิดขึ้นเขาก็ไม่จมอยู่กับมันนานเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยเวลาเขาไปทําตามความฝันไปทําธุรกิจไปทําในสิ่งที่เขารักนนเนี่ยตอนที่เขาครองชีวิตเนี่ยเขาจะครองชีวิตโดยทํา เขาจะคลองชีวิตอยู่ในกรอบของศีลธรรมคือต่อให้เขาไม่ได้มีศีลห้าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเข้าใจศาสนามากแต่คนคนนี้ไม่เบียดเบียนใครเลยไม่เบียดเบียนใครสักคนเลยนะครับคนกลุ่มที่ประสบความสุข ท, ที่ไปคุยมาด้วยเนี่ยไม่มีใครไปเบียดเบียนใครไปทําให้คนอื่นเขาลําบากเลยและก็จะอยู่กับชีวิตอยู่กับความคิดดีพูดดีอยู่กับการทาความดีบางสิง่งบางอย่างในแนวทางของเขา คือชีวิตที่ทําอะไรที่มันถูกต้องคือถูกตามกฎธรรมชาติตามกติกาในธรรมชาติเนี่มันจะทําให้เราได้ผลแห่งการทําถูกต้องมันไม่ได้หมายความว่าต้องไปทําใหญ่นะไม่ใช่ไปสร้างบุญใหญ่วิหารใหญ่ไม่ใช่ไปปฏิบัติทำสิบวันยี่สิบวันแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะเราคงเคยเห็นพระ ที่บวมาเป็ น, 10, นส0บยี่สบพรรษาถูกออกจากวัดถูกประราชีกเข้าคุกอะไรเราคงเคยเห็นมาหมดแล้วนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันคือดีในทางที่เราคลองตนคองคนของงานดีในล่มโพล่มใสแห่งชีวิตแห่งการไม่เบียดเปียนนะแห่งการเกื้อกูลในขณะที่เดินทางทาตามความฝันของเราอยู่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องไม่เบียดเบียนใครพ อ, พอจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ไหมครับ ต้องเป็นการดำเนินชีวิตไปเพื่อการไม่เบียดเบียนทั้งตนเองไม่เบียดเบียนทั้งคนอื่นสําคัญที่สุดก็คือธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยในความถูกต้องทั้งบวกในทุกๆความฝันในทุกๆสิ่งที่เราทําเนี่ยเพื่อคําว่าสําเร็จเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนนั่นแล้วเนี่ยที่สุดเลยนะครับที่เคยได้มีโอกาสได้คุยด้วยคนที่เชื่อว่าเข้ารวยๆดึงตัวเลขเงินเนี่ยเป็นคนดี คนที่ดำรงชีวิตยอยู่ในกรอบของความไม่เบี่ยนเบียนกรอบของกัรค้ากูนและกรอบของของความสงบเงย็นแบบชีวิตที่เป็นปกติมากอายุตอย่างเจ้า ส, สัววิเชียนที่เจ้าของส่วนธรรมศิวตุลทุ่มที่เราไปไปใช้บริการก็ได้นะครับไปจัด บ, บุญบํำบัดภาวนานท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหลายตัวมากหนึ่งนั้นก็คือเครื่องกองน้ําที่มีชื่อเสียงมากท่านโรงแรมโรงท่านทําธุรกิจหลายหลายหลายหลา ย, หลายส่วนหลายเรื่องเลย ก็ดําเนินชีวตวเองอยู่ในกขอบเขตความปกติของการคลองตนของคนของงานที่ดีและการแก้กลุ่สังคมจนกระ ท, ทั่งแกะะ่เลยแต่ว่าที่เราจะเห็นนะนะจะมีน้อยเท่าน้อยนะที่บอกว่าเป็นโจรเป็นมาเฟียเป็นนักการเมืองคอร์รัปชั่นเป็นอะไรแล้วเขาจะอยู่ได้หรือว่าอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติสุขแล้วสําเร็จส่วนใหญ่จะมีอะไรร้อนๆเข้ามาด้วยอะไรที่ทําอะไรที่มันเสี่ยง เสี่ยงแบบมันไม่ใช่ความกล้านะความเสี่ยงเสี่ยงจะเอากับความกล้าที่จะเลือกทําป็นสิ่งที่จะเรารักและประสบความเสี่ยงเป็นคนละแบบกันนะครับมันไม่ร้อนไม่ต้องกลัวไม่ร้อนแต่แน่นอนล่ะเวลาทําอะไรไม่เหมือนชาบ้านตัวเนี้ยมันต้องโดนว่าอยู่นะครับโดนว่าอยู่หรือพ่อแม่ก็จะต้องเป็นห่วงภรรยาลูกเมียญาติพี่น้องญาติพี่น้องภรรยาก็ห่วงเราหมดล่ะ นะครับเขามีสิทธิ์ที่จะห่วงไงเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความหมายในชีวิตของกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เห็นอนาคตเราเองก็ไม่เห็นนะทุกคนที่ประสบความสําเร็จที่ผมคุยกันด้วยไม่เห็นอนาคตแต่รู้ว่าทําแบบนี้ไปมันจะได้เพราะมันมีตัวอย่างคนที่ประสบความสําเร็จให้ดูเป็นตัวอย่างอยู่ว่เาเขาก็มาแบบเดียวกันเข้าใจให้ได้นะตราบที่เรายัางอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนอื่นเป็นผู้กําหนด เราไม่ทุกข์นะไม่มีมากน้อยแค่นั้นเองถ้าอยากที่จะเป็นอิสระออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่คนอื่นกําหนดซตาเราจะไม่ทุกข์มากเข้าใจได้ไหมวันที่เรายังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขากําหนดเรายังเป็นลูกน้องเขาอยู่เนี่ยอยู่ภาใต้กฎกติการะบบองค์กรที่เขาเซตอะไรมาเนี่ยเราไม่มีทางที่จะมีความสุขได้ร้อยเอร์เซ็นต เป็นแต่เราจะออกมาทำํำในสิงที่เราไม่ได้เป็นลูกน้องใครแค่นั้นเองสาถานะอาจารย์เป็นลูกน้องไหมอาจารย์ทํางานรัฐราชการเนเป็นลูกน้องนันเนี่ยแต่ไม่บีบเค้นคือรู้มันทุกข์แต่ไม่จมกับทุกข์มันพอปดพอเบื้องไปได้ก็มีความสุขก็อยู่ไงแต่สําหรับคนที่มันอึดอัดมากมันไม่ไหวแล้วนะครับก็ไม่รู้จะไปอยู่ทําไมเพราะคุณไม่สามารถที่จะทําให้มันสุขได้เลยเพราเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมไม่ได้คนอื่นเขาควบคุมหมดระบบระเบียบ ต่างๆทุกอย่างไม่ใช่อะไรที่เราสร้างขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าไม่มีความสุขก็จงออกมาอยู่ในสิ่งวัตถุที่เจงสร้างเองแค่นั้นเองแต่กล้าไม่ล่ะมันไม่ใช่ใช้เรื่องความพร้อมด้ยนะความกล้านไม่ใช่เรื่องความพร้อมนะเพราะความพร้อมไม่ต้องกล้าถ้าเราพร้อมที่สุดเราไม่ต้องกล้าเลยแต่ที่เราทําอะไรที่ต้องใช้ความกล้าเนี่ยก็เพราะเราทําตอนที่เราไม่พร้อมนั่นแหละนะนะไปกับความดีงามไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอก ถ้าจะออกอะเดินไปกับความงดงามแต่ต้องดีจริงนะไม่ใช่มาสับขาหลอกนะถ้าสับขาหลอกมันไปไม่ได้ผมบอกแล้วผมเห็นมาเยอะผมทั้งเกิดกับตัวผมเองแล้วเกิดกับคนอื่นผมไม่อยากให้มีใครต้องมาผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกคืออย่าไปโทษใครเลยคิดพูดทําของเราจริงๆเนะ่ยสาวลึกๆเนะี่ยความสารเลวของเรานั่นแหละที่มันทําร้ายเราเองแต่เราจะหลับตาไม่มองมันหรือเปล่า นะตัวเรานะ่ะที่เราทําที่เราหมดที่เราเป็นหนี้อยู่พอกหัวตัวเองอยู่แก้ไม่ได้เงินไม่เข้ายตัวเราเอ ง, งนั้นตัวเราที่ทํ า, ททาตัวเราเองคิดพูดทําที่เราตัวเองความไม่มีสีของเราอันนี้ถึงหวอกว่าให้ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยรักษาซะถ้ารักษาสีไม่ได้รักษาสัจจะซะเพราะคนดีมีสัจจะคนดีคนกระตันยูกระตะเวดีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดี แต่คนดีที่มีสันจารเป็นเครื่องไหนของความสาเร็จทีเนี่ยเพราะใงานวิจัยของผมบบเลยว่าคนที่ผมคุยด้วยทั้งหมดเป็นคนรักษาคำพูดคือจะทำอะไรตามสิ่งที่ตัวเองอินทรีกับตัวเองไว้แล้วหรือกับคนอื่นไว้ในระดับหนึ่งเลยนะครับยิ่งถ้าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเขาจะเขาจะรักษามาถในประเด็นที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่เขาจะ ก็จะรักษามันมากไม่ไม่ก้าวล่วงความสุขของใครไม่ก้าเรื่องความความอึดอัดนะครับของใครเลยเขาจะรักษาเรื่องเงินวิ น, นัยทางการเงินหรือว่าอะไรเนี่ยเขารักษามากครับเรื่องหนี้สินเรื่องที่ต้องตอบแทนเรื่องอะไรเนี่ยเขาทําทุกคนเลยไม่ร้อยละร้อยนี่นะอันนี้เป็นเป็นเรื่องถึงไม่รู้ว่าสัจจะเป็นความหมายของคนดีที่มีฤทธิ์หรือคนดีที่สําเร็จ ส่วนกามกตันยูนั่นน่ะเราทํากับพ่อกับแม่เราเนี่ยเราต้องทําอยู่แล้วด้วยหน้าที่โดยกฎธรรมชาติอันนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีแต่คนดีทุกคนไม่ใช่คนประสบความสําเร็จแต่คนดีที่มีสัจจ์ประสบความสําเร็จที่เนี้ยโดยที่เขายังไม่เก่งเลยครับอาจารย์ใช่เดี๋ยวเขาไปหาวิธีการเติมเองมันจะเป็นเสือติดปีกที่เนี้ยตอนเติมปัญญามันจะเป็นเสือติดปีกมันทั้งมันทั้งหน้าเกงขามแล้วมันทั้งบินได้เสือติดปีกแค่คนดีแล้วมีสัจจ์เนี่ยเสือละ เหลือปัญญาเติมเข้าไปมันจะเป็นเสือติดปีกนี่คือระดับสูงเลยนะนะครับระดับสูงเลยนะ